อย่างไรก็ไม่ถึงพระนิพพานแน่นอนให้ขยันขนาดไหนก็ตามเพราะว่าศาสนานี้บรรลุด้วยอะไรแล้วองค์ที่ทำให้บรรลุเนี่ยนะก็คือปฏิบัติถูกวิธีการโดยความเ ย, ยบคายด้วยความรอบครอบตรัสรู้เพราะเยียบคลายตรัสรู้เพราะความรอบครอบไม่ใช่ตรัสรู้เพราะอ่าที่เรียกว่าส้มหลน่นนะนั่นราชรสมาเกยเรียกอะไระนะลูกแบบนั้นไม่มีแล้วในศาสนานี้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 เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าแนะนําเราก็เชื่อว่าทําทุจริตกรรมการไม่ปฏิบัติตามมรรคแปดนั่นแหละเรียกว่ า, าทุจริตกรรมหรือมิเชตะถือว่าเป็นความผิดผิดที่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความออกจากทุกข์ถามว่าความผิดเนี่ยถ้าหากว่าผิดจากคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรอความผิดอันนั้นหมายคือว่าถ้าเราสมมติว่าถ้ามียาดีแล้ว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 จากานุสติและอยู่ด้วยเทวตานุสติก็ทยอนกลับมาถามพวกเราทั้งหลายว่าถามคือเปรียบว่าภาริยะทั้งหลายท่านมีที่อยู่ที่มั่นคงมากอยู่ด้วยพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีราจาคาและเทวตานุสติที่อยู่ของท่านเหล่านั้นมั่นคงไม่คลอนแคลนเพราะท่านเป็นผู้เห็นอริยสัจธรรมของเรานี้ที่อยู่เป็นยังไงบ้างนะมีเสากี่ต้น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 ทำพระนิพพานให้แจ้งนะการตามระลึกนี้จึงมีอุปการะคุณมากอันถ้าใครตามระลึกถึงพุทธานุสติเป็นต้นด้วยยาณสัมปตยุทธ์ด้วยความรู้ความเข้าใจการตามระลึกของเขานั้นนะจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อตรัสรู้เพื่อพระนิพพานในการตามระลึกอ น, นั้นเนี่ยเจริญพุทธานุสติบ่อยๆธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติเทวตาจาค่ะ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 ที่เมื่อธรรมะสามคีเหล่านี้ประชุมกันทําให้เกิดการตรัสรู้ได้นั้นถือว่าเป็นธรรมะที่เป็นปฏิปักษต่ออันตรายมากมายนะเป็นปฏิปัติต่อสิ่งเลวร้ายที่อยู่ในใจมากมายเช่นความหดหู่ทีนามิทนะนั่นแหละปฏิปัติต่ออุทธจักความติดแน่นการสะสมวตะการมสุขันลิ ก, า, ก, กละะานุโยคอตตะกิระมัานุโยค เป็นปฏิปักต่ออุเช ท, ทิฐิสตัตติติติต่ออภิวินอภิณเวสการยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิวันอริยธรรมสามัคคีทั้งเจ็ดประการนั้นเกิดขึ้นในขณะโล ก, กุตระมักนั้นทําลายปฏิปักษธรรมได้ธรรมะทั้งหมดนี้เลยเรียกว่าพุทธโพธิการตรัสรู้หรืออีกในหนึ่งว่าพุชติจตแปล ว, ว่าย่อมตื่นก็ได้เพราะผู้ที่บรรลุโพชงทั้งเจ็ดเนี่ยนะตื่นจากความหลับ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 อีกในหนึ่งคำว่าพุทตินี่หมายถึงลุกขึ้นเพื่อแทงตลอดอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการอริยสัจนี้ใช้คําเน้นไปที่กิจเนี่ยนะกิจในการกําหนดรู้ละทําให้แจ้งและการเจริญหรือนิพานะสัจฉิกิริยาการกระทำพระนิพานให้แจ้งการทำพระนิพานให้แจ้งองค์แห่งการตรัสรู้กล่าวคือธรรมะสามคีนั้นอนะชื่อว่าโพชังคาบ้าง ที่เรียกว่าโพธชังคาเนี่ย น, นะมาจากโพโพ ธ, โ ธ, โธิบวกอังคานั่นแหละก็คือการตรัสรู้เนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบเหมือนอะไรเหมือนฌานก็มีองค์ของฌานปฐมฌานก็มีองค์ทุติยฌานก็มีองค์ตาติยฌานก็มีองค์อริยมรต ก, ก็ยังมีองค์ของมรดฉันใดโพธชงก็เหมือนกันมีองค์แห่งโพธชงอริยสาวกตรัสรู้ด้วยธรรมสามคี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 อีกอย่างหนึ่งเพิ่งทราบอัฏาะแห่งโพชฌงเป็นต้นว่าชื่อว่าโพชฌงเพราะอัฏาว่าอะไรชื่อว่าโพชฌงเพราะอัฏาว่าย่อมเป็นไปเพื่อการตรัสรู้อันนี้เป็นข้อความที่ภาษาริบุตรแสดงไว้ในปฏิสัมพิทามัรรคเป็นต้นที่เรียกว่าโพชฌงชื่อว่าโพชฌงเพราะองค์ที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้พอถ้าไม่มีองค์เหล่านี้แล้วตรัสรู้มีได้ไหมไม่ได้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 สติอันนั้นที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้นี้เกิดจากปัจจัยอะไระถ้าตั้งคําถามว่าทําอย่างไรจะมีสติที่เป็นสติที่เป็นปัจจัยเพื่อการตรัสรู้ในมหาวรารวัคมหาวรารวัสุดสังยุตตานิกายพระองค์บอกว่าโยนิโสมนัิการในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติถ้าหาว่าโยนิโสมนัิการ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 ชั้นแรกนะฝึกเจริญสติสัมปชัญญะ2บอกว่าเว้นจากบุคคลผู้หลงลืมสติสาควบหาบุคคลผู้มีสติตั้งมั่น4ี่น้อมไปในเรียกน้อมไปหาสติโอนไปหาสติมุ่งให้มีสติเกิดขึ้นในอิริยาบถ ท, ทั้ง4ที่บอกว่าให้มีสติสัมปชัญญะนี้คงไม่ลืม อ, อย่างหนึง่งสาทกาะสัมปชัญญะสองโคจระสัมปชัญญะ3มสัปปายะสัมปชัญญะ4อสัมโมหะสัมปชัญญะ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 เสียงที่มันดังขึ้นเพราะอะไรเป็นสมุตฐานองค์ประกอบที่ทําให้มีเสียงเกิดขึ้นคืออะไรจิตจิตตชาวายโยธาตทําวจีวิญญัตเปล่งเสียงออกมาะแล้วจิตอันนั้นโดยอาศัยอะไรวัตถุและอารมณ์เกิดขึ้นจิตเกิดขึ้นโดยอาศัยวัตถุและอารมณ์เมื่อจิตเกิดขึ้นแพจิตตชาวาโยธาทำวจีวิญยัตเปล่งเสียงออกมาว่เาเป็นคลีเสียงคลื่นเสียงที่สูงสูงต่างตําๆเป็นเรื่อง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 ที่จะเจริญธรรมะที่เป็นองค์แห่งการปรัสรู้ทีนี้ทำ ถ, ถามว่าทำยังไงเราจะเจริญอย่างนี้ได้เพราะบางทีเนี่ยนะคุยไปตั้งนานแล้วเพิ่งนึกออกเออน้าจะเจริญไม่ได้เจริญเลยทำไงดีก็บอกว่าในชั้นต้นเนี่ยนะต้องฝึกตั้งเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะก่อนตั้งเป้าไว้เลยมีเป้าหมายเหมือนเอางี้ดีกว่าถ้าการสนทนาใดถ้าไม่มีเป้าหมายเนี่ยนะนาคุยไหมน่าสนทนาไหม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 ไอ้ความเป็นไปทั้งหมดเหล่านั้นอะ่ะมันเป็นขันอายตนะธาตุสัจจะอินทร์ปฏิจจะสมุบาติอย่างไรเนี่ยนะก็ะตั้งเป้าไว้คิดว่าคิดก่อนที่จะทำนะมีการไข้ควรวญเบ็ดเสร็จแล้วเพราะคำว่าสติสามโพชงที่นี้ณนะที่นี้เนี่ยหมายถึงสติที่ประกอบกับสัมปชัญญะเนี่ยนะมีสัมปชัญญะอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ถ้าธรรมวิจัยเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นวิปัสสนาระดับสูงละ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 ถ้าจะเจริญอสัมโมหะสัมปชัญญะเนี่ยนั่งทำตาเปรีบมีจิตกี่ดวงอะไรเกิดขึ้นบ้างานะสองขณะที่เห็นเนี่ยเห็นเหล่านี้ยมีเจตสิกอะไรเกิดขึ้นได้บ้างานะครับปิดตําราแล้วมาลองไล่ไลดูหรือเปิดตําราไล่ดูก็ได้ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่มีกติกาอะไรหรอกอย่างที่สามเหตุกิจเวทอเหตุกิจฐานอารมณ์เนี่ยมันเป็นยังไงประกอบไปด้วยอะไรบ้างสีวิถีจิตมีกี่ประเภทที่เกิดขึ้นระหว่างที่เห็น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 น, นะโพธิปัจขิยธรรมสังขะมีอะไรบ้างประเฉดแปดเป็นปฏิจจสมุปาทอย่างไรประเฉดเก้าคิดยังไงมันเป็นสมถะและวิปั ส, สนาเนี่ย น, นะถ้าหาว่ามีการให่ครูฝึกฝนในลนนักษณะนี้มากๆอสัมโมหะสัมปัญญะก็ก็จะเจริญขึ้นเนี่ย น, นะถ้าหากว่าใครที่ปรารถนาจะพิจารณาอย่างกว้างขวางและลึกซึง้งก็ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าไม่ขนาดนั้นเนี่ยนะบางคนก็บอกว่า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 แยกแยะเมื่อจำแนกแยกแยะได้วัตถุประสงค์ของการแยกแยะเพื่ออะไร <_ DS> เพื่อจะได้โกโก้ใช่ไหมจะได้ดูถูกคนอื่นว่าเขาโง่สู้เราไม่ได้เราเก่งกว่าเพื่อน <_ DS> ใช่ไหมแบบไม่ใช่วัตถุประสงค์เนี่ยนะเมื่อจําแนกแยกแยะสิ่งเหล่านี้ได้จะได้เจริญในสิ่งที่ควรเจริญจเจริญอะไรก็จเจริญสติไงสติที่จเจริญเพื่ออะไรตั้งไว้เพื่อการต ร, รัสรู้ตั้งไว้เพื่อ น, นําออกจากกองทุกเนี่ยนะนั่นคือวัตถุประสงค์แล้ว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 เราลองคิดดูว่าจากนี้นั่งรถไปถึงบ้านเนี่ยจะมีสติสัมปชัญญะอะไรขึ้นมาบ้างพรามีการไข่ควรวนมีการเจริญอย่างดีคนที่เจริญได้อย่างถูกต้องมีระบบมีรูปแบบเขาจึงกำหนดแทบจะ ก, กำหนดเวลาบรรลุได้เลยถ้าถ้าถ้าเขาไข่ควรวนพิจารณาอย่างรอบคอบแบบคนที่มีสุตมยะปัญญาอย่างดีเนี่ยนะไม่ไม่ใช่ปัญหาปัญหาก็คือว่ามีศรัทธาที่จะเจริญหรือเปล่าแค่นั้นะ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 9, เนี่ยนะพิจารณาจิตทั้งสิบประเภทพิจารณาธรรมะทั้งห้ากลุ่ม น, น, นะนะนิวร์โพ ช, ชงอายตนะเป็นต้นเนี่ยนะแต่ว่าในที่สุดก็คือตั้งเป้าไว้เพื่อการตรัสรู้อริยสัจเราก็มาตั้งมาคิดอีกในหนึ่งขึ้นชื่อว่าคาว่าตรัสรู้ตรัสรู้อะไรโดยทั่วๆไปเราก็ได้ยินคาว่าตรัสรูตรสร้ตรัสรู้นี่ตรัสรู้อะไรตรัสรู้อริยสัจทั้งหลาย ทีนี้ถามว่าแล้ะสติสัมปชัญญะที่เราเจริญเจริญที่เรียกว่าเจริญสติไม่เลอะเลือนไม่ห ล, ลงลืมมีสติตลอดเลยรู้ตัวไปหมดทําอะไรก็รู้ไปหมดคำว่างั้นพอไม่จะพอไม่จะเห็นอริยสัตวนะคะแต่ตั้งคําถามว่าเออตอนที่โยมนั่งๆ่งอยู่นี่มีสติไหมถ้าถ้ามีใครถามอั้นะมีสติไหมที่นั่งๆั่งอยู่เนี่ยเป็นสติสัมโพชงไหมนะเออเป็นสติหรือไม่ก็ต้องดูว่าถ้าเป็นกุศลจิต เ, เกิดขึ้นเรียวกว่ามีสติว่างั้นเถอะ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 สิ่งที่ควรละเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งเพื่อภาวนาเพื่อเจริญคุณธรรมที่ควรเจริญถ้าสติใดที่เป็นไปเพื่อทำกิจสี่ประการนี้สติอันนั้นก็เป็นสติสัมโพชงเพราะว่าตั้งเป้าหมายไว้อย่างถูกต้องพูดแบบภาษาภาษาพระธรรมหน่อยก็คือเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละนะน ถ้าแสดงตามถ้าสูตรหลายๆสูตรเช่นนันทโกวาถ้าสูตรเป็นต้นเนี่ยบอกว่าเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราค้าอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเจริญสติอันนี้เนี่ยนะที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเพื่ออาศัยวิเวกอาศัยกายวิเวกจิตจิตตาวิเวกอุปธิวิเวกนี่ในที่หนึ่งในที่สองเจริญเพื่ออาศัยตะทางค้าวิเวกวิคขำพนวิเวกสมุทเฉทวิเวกปฏิปัสสทิวิเวกและ นิสระวิเวกก็แปลว่าเจริญสติอันนี้เป็นไปเพื่อสมะเป็นไปเพื่อสมถะเป็นไปเพื่อวิปัสนาเป็นไปเพื่ออริยมรรคเป็นไปเพื่อทําให้แจ้งสามัญผลและพระนิพพานคือคือมีเป้าหมายเพื่อโล ก, กุตระธรรมโดยส่วนเดียวนะตั้งคุณธรรมเหล่านี้พูดแบบทางโลกก็คือเหมือนกับว่าใครที่อยากจะเดินทางไป ท, ท, ที่ที่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะที่เรียกว่าไปแล้วสบายอย่างเดียวเลยเนี่ยนะ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 สติสัมโพชฌงค์ที่อบรมคุณธรรมเหล่านี้ก็มีเป้าหมายชัดเจนเพื่อการตรัสรู้เนี่ยนะตรัสรู้ก็แสดงว่าจะต้องพัฒนาเพิ่มคุณภาพของสติไปเรื่อยๆเนี่ยนะว่าสติที่เจริญอยู่นี้เป็นยังไงบ้างกำลังเจริญขึ้นหรือกำลังเสื่อมหรืออะไรเป็นเหตุให้สติเจริญขึ้นทาไมสติมันจึงไม่เจริญขึ้นเพราะอะไรเป็นต้นเนี่ยนะเพราะในหลักการ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 นะถ้าตื่นเต้นเป็นยังไงใจสูงๆงทำต่ำเลยใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นอีกอนะมีความสม่ําเสมอทางจิตใจเนี่ยนะเป็นจิตใจที่ไม่ลุ่มลุ่มดอนดอนนะก็ก็กธรรมะระดับสูงเนี่ยนะเขาเลือกเฟ้นเอาคุณธรรมจากใจแนะบีบใจเอาคุณธรรมเหมือนกะัน่ะใครเคยเห็นเขาคั้นรวงพึ่งไหมเขาคั้นรวงพึ่งอะนะพึ่งก็เป็นรังรังนะเขาก็มาคั้นเอาแต่น้ํำพึ่งชั้นใดก็ใจที่มันหลังให้ประเภทเนี่ยมันมีทั้ง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 แต่ถ้าเรามีศ า, า, าสกะสัมปชัญญะสิ่งที่ถูกละออกไปคือสิ่งใดที่ไม่มีประโยชน์จะถูกได้ละกำจัดออกไปเมราะมีการไข้ควรวนมีการเจริญอย่างดีคนที่เจริญได้อย่างถูกต้องมีระบบมีรูปแบบเขาจึงกำหนดแทบจะกาหนดเวลาบรรลุได้เลยถ้าถ้าถ้าเขาไข้ควรวนพิจารณาอย่างรอบครอบแบบคนที่มีสุตมยปัญญาอย่างดีเนี่ยนะไม่ไม่ใช่ปัญหา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 ที น, นี้ถามว่าและสติสัมปชัญญะที่เราเจริญเจริญที่เราบวาจเจริญสติไม่เลอะเลือนไม่ลงลืมมีสติตลอดเลยรู้ตัวไปหมดทําอะไรก็รู้ไปหมดระหว่างนั้ น, นพอไหมจะพอไหมจะเห็นอริยสัจนะคะแต่ตั้งคําถามว่าเออตอนที่โยมนั่งนั่งอยู่นี่มีสติไหมถ้าถ้ามีใครถามอาะลยมีสติไหมที่นั่งๆั่งอยู่เนี่ยเป็นสติสมามโพชงไหมนะ เ, เป็นสติหรือไม่ก็ต้องดูว่าถ้าเป็นกุศลจิตเกิดขึ้นเรียกว่ามีสติว่างนั้นเถอะ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 ถ้าแสดงตามพระสูตรหลายๆสูตรเช่นนันทะโกวาทสูตรเป็นต้นเนี่ยบอกว่าเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราฆะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อการสละเจริญสติอันนี้เนี่ยนะที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเพื่ออาศัยวิเวกอาศัยกายวิเวกจิตจิตตาวิเวกอุปธิวิเวกนี้ในที่หนึ่งในที่สองเจริญเพื่ออาศัยตาทางฆะวิเวกวิคขำพนวิเวกสมุทเฉทวิเวกปฏิปัสสติวิเวกและ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 นะนะถ้าตื่นเต้นเป็นยังไงใจสูงๆูงทำต่ำเลยใช่ไม่ใช่อย่างนั้นอีกอนะมีความสม่ําเสมอทางจิตใจเนี่ยนะนะเป็นจิตใจที่ไม่ลุ่มลุ่มดอนดอนนะก็ก็กธรรมะระดับสูงเนี่ยนะเขาเลือกเฟ้นเอาคุณธรรมจากใจเลยนะบีบใจเอาคุณธรรมงหมอนนนะใครเคยเห็นเขาคั้นรวงพึ่งไหมเขาคั้นรวงพึ่งนะพึ่งก็เป็นรังรังนะเขาก็มาคั้นเอาแต่น้ําพึ่งคั้นใดก็ใจที่มันหล่งให้ประเภทเนี่ยมันมีทั้ง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 สติเพราะสตินี่จะวางแผนเพื่อให้สติเกิดขึ้นได้นะนะสติจะเกิดขึ้นเพื่อให้มีสติสติจะเกิดขึ้นเพื่อให้มีสติเรียกว่าต่อยอดสูงสูงขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่อย่าลืมว่าสตินั้นถ้าเกิดขึ้นจะต้องมีความรอบรู้นะเรียกว่ารู้ยิ่งกับปริญญาเรียกว่ารู้ยิ่งกับรู้รอบรู้ยิ่งก็คืออภินญาเนี่ยยาบแปลว่ารู้อภีแปลว่ายิ่งอภินญาก็คือรู้ยิ่งถ้าพินยยะก็แปลว่าควรรู้ยิ่งเนี่ยนะ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 แล้วทํายังไงจึงจะสงบระงับและเลิกถึงอะไรให้จใจสงบระงับเพราะสติเป็นตัวสติเนี่ยเป็นธรรมที่จําปรารถนาไหนที่ทั้งปวงเนี่ยนะแล้วทํายังไงจึงจะสงบระงับทํายังไงจึงจะเจริญปัสสัตธิสัมโพธชงยามฟุง้งซ่านก็บอกว่าเวลาฟุ้งซ่านเนี่ยอันหนึ่งบางทีเนี่ยความฟุ้งซ่านเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างบางทีเกิดจากโภชนะก็ได้เนี่ยนะก็ดูว่า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 สูตรที่เราก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วก็จําไม่ได้แต่หาอันนี้ฟุ้งแน่นอนเชื่อเถอะแต่ว่าก่อนที่จะฟุ้งเนี่ยจสูตรนั้นให้ได้ก่อนนะเตรียมการให้มันดีก่อนไม่ใช่ว่าโอ้ยเอาไฟเผาบ้านเผ า, าเมืองเสร็จแล้ววิ่งหาน้ํากันพล่านไปหมดเลยนะไม่มีประโยชน์แน่นั้นก็รู้อยู่แล้วว่าจะต้องเตรียมอะไรนะเตรียมน้ําเอาไว้สมบูรณ์ให้ดีเต็มที่เพราะเขตนี้ไฟแรงเหมือนกันเราต้องเตรียมให้มันเต็มที่ ฉันจะเตรียมยังไงเอากรรมฐานอะไรเอาพระ ส, สูตรอะไรเราดูเนี่ยบางคนถ้าหากว่าเป็นคนที่ฟุ้งด้วยโทสะบ่อยๆต้องหาพระ ส, สูตรที่เกี่ยวกับเมตตาเนี่มาสาธยายเช่นกรณีเมตตาสูตรเป็นต้นเนี่ยนะมาสาธยายเอาไว้เลยหรือพระ ส, สูตรที่กล่าวถึงอ น, นิสงส์ของเมตตาหรือพระ ส, สูตรที่พูดถึงโทษของโทสะเป็นต้นถ้าเป็นปกปติมีเป็นคนที่ฟุ้งด้วยโลภะล่ะ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 ใช่ไหมเอาหนังสือเขาช่วยจำํำเลยแล้วแล้วจําแม่นด้วยนะไม่มีพลาดนะถ้าไม่ให้ปลวกมันช่วยกัดไปก่อนเนี่ยนะมันจะจําจแม่นอยู่แล้วพรานเราเลือกเอาสูตรบางสูตรที่เราประทับใจที่เราพอใจหรือได้สองสูตรก็ได้สามสูตรก็ได้แต่ถ้าจะได้มากนี่ไม่ห้ามแต่ไอที่มากเกินไปแล้วจำไม่ได้สักอย่างเนี่ยอันนี้ก็เกินไปอีกเข้ามามีเพื่อนหลายคนนีอยู่คนนึงอุ้หูท่องท่องท่องท่องท่องท่องท่องท่องท่องท่องท่องท่องท่องท่องท่องท่องท่องท่องท่องท่องอย่างเดียวเนี่องท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 อันนี้เขาเรียกว่ามนมนนี่แปลโดยศัพท์แปลว่าอะไรแปลว่าความรู้เนี่ยนะมันตะเนี่ยแปล ว, ว่าความรู้ก็กลายเป็นมนประจําใจเรียกว่าเวทก็ได้เวทก็แปลว่าความรู้กลายเป็นผู้มีเวทมนประจําใจเนี่ยนะคิดว่าใจที่ไม่มีเวทมนเป็นยังไงใจมืดใจบอดใจโง่ใ จ, ใ จ, ใจเข่านี่ก็ให้มันเป็นใจมีเวทมีมนเนี่ยเวลาฟุ้งสรา้างเอาคาถานี้มาไล่เลยอนะระงับผีคือความฟุ้งสร้านอยู่ในใจเนี่ยนะท่องคาถาเวทมนอันนี้แหละ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 นี่ก็เหมือนกันเราจะทํายังไงให้มีกรรมฐานประจําใจแบบนั้นสักมีพระสูตรประจําใจเนี่ยนะบอกว่ตอนแรกเลือกหาพระสูตรที่ตัวเองคิดว่าเหมาะที่สุดเนี่ยนะเราเนี่เป็นคนมักฟุ้งซ่านเรละลึกถึงสูตรนี้เมื่อไหร่เราเย็นสบายใจทุกครั้งเลยเนี่ยนะก็หาสูตรเหล่านั้นมามาสาธยายมาท่องให้จําเลยนะเอาให้ชํานาญเลยกลายเป็นว่ามีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งไว้คอยคอยกํากับดูแลพระสูตรถ้ามองเห็นหนึ่งสูตร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 ก็เอากัปะเทระคาถาเป็นต้นเนี่ยนะพระสูตรที่เกี่ยวากาับสุภาษณเนี่ยมาสาธยายไว้เป็นปกติเป็นอัธยาศัยหรือวิชยสูตรก็ได้เนี่ยนะสาธยายเอาไว้บ่อยๆให้ใจชำ น, นิชำ น, นาญหรือเป็นคนที่หลงละเลิงคิดไปเรื่อยมรณานุสติสูตรเป็นต้นก็เอามาสาธยายไว้บ่อยๆแล้ลิกถึงความตายไว้เสมอมันพระสูตรเหล่านี้จะช่วยเรามากเลยนะพระสูตรเหล่านี้จะช่วยมากถ้าเราจําได้จริงๆอ่ะอันนี้ยกเป็นตัวอย่างนะแต่ว่าสูตรทุกสูตรนี่เชื่อเถอะ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 มาสาขยายดูถ้าทรงจําได้ก็เอามาสูตรแต่ถ้าอยู่ในใจได้เนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่ามนมนนี่แปลดโดยศัพท์แปลว่าอะไรแปลว่าความรู้เนี่ยนะมันตะนี่แปลว่าความรู้ก็กลายเป็นมนประจําใจเรียกว่าเวทก็ได้เวทก็แปลว่าความรู้กลายเป็นผู้มีเวทมนประจําใจเนี่ยนะคิดว่าใจที่ไม่มีเวทมนเป็นยังไงใจมืดใจบอดใจโง่ใจเขา่าเนี่ยก็ให้มันเป็นใจมีเวทมีมนเนี่ยเวราวฟุ้งสร้างเอาคาถานี้มาได้เลย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 เรียกว่าล้าหลังกันเลยทงอนะคิดง่ายๆว่าพวกล้าหลังกันเลยทงถ้าพอดีเมื่อไหร่ยังไงมันก็เกือ บ, บรรลแุแล้วล่ะในพวกล้าหลังนี่เขาเรียกพวกขดหูขี้เกียจอีกแล้วแหมมันมันไม่ก็อยากคิดอะไรนะมันแบบทําตัวเหมือนคนเฉยๆว่างัน้นเหมือนดีว่างั้นทําเป็นเฉยๆไม่คิดอะไรโอ้ยอุเบกขาว่างั้นหนักในอุเบกขาหรือหนักในโมหากาะกันแน่เนี่ยนะเขาบอกว่าสุขเวทนาใกล้ต่ออะไรราคะทุกเวทนาใกล้ต่ออะไร